ทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทากล่าวกับสิกขามานาว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวนแกนเราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ไม่ควรควายใช้ให้บวชให้จริงหรือภิกษุณีทั้งหลายทูล ร, รับว่า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 ให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิกษณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้